127. ภิกษุพิผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุกกฎด้วยอาการหอย่างคือ 1. สําสำคัญว่าไม่ใช่ของของตน 2. ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ไม่ใช่เป็นของขอยืม 4. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศก 5. มีทยจิตปรากฏ 6. ภพิกษุจับต้อง ต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตทุกกฎ